Music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 สังเกตเห็นความรู้สึกตื่นเต้นป ร, รากฏในดวงหน้าและท่าทางของสุรเสนอย่างผิดปกติแล้วก็ยิ้มน้อยๆแล้วเล่าต่อไปอีกว่าพ่อเป็นโอรสของมเหสีฝ่ายขวาซึ่งมีหวังว่าจะได้ครองราชสมบัติส่วนน้องต่างมารดาคนอื่นๆก็ยังมีอีกมากเป็นธรรมดาของกติยราชกุมารที่จะต้องได้รับการศึกษาเป็นอันดีเพราะฉะนั้น เมื่อพ่ออายุได้17ปีพระราชบิดาจึงส่งพ่อไปเรียนศิลปวิทยาณกรุมตักศกิลาแต่ไม่ได้ไปอย่างฟุ่มเฟือยหรือมริวานตามไปด้วยทั้งนี้เพื่อฝึกให้รู้จักปกครองตนและหัดเผชิญความยากลงบากไว้บ้างเป็นแต่ยอมให้มีคนติดตามไปส่งจนเข้าเขตสํสำนักอาจารย์ที่สาปามุกแล้วก็กลับก็เพราะพระองค์เป็นผู้มีพระราชรัยัยเข้มแข็ง จึงใครจะปลูกฝังให้พ่อเป็นคนเข้มแข็งบ้างแต่จิตใจของพ่อนั้นบึกบึนมาตั้งแต่ยังเล็กพ่อไม่เคยกลัวลมกลัวแดดไม่เคยกลัวใครในเรื่องการต่อสู้แต่ก็ไม่ชอบรังแกใครเพราะฉะนั้นวิชาที่พ่อเลือกเรียนก่อนในสำนักอาจารย์ก็คือวิชารบเริ่มต้นแต่การรู้จักป้องกันตนด้วยมือเปล่าจนกระทั่งการใช้สัตรา คือของที่มีคมเช่นหอกดาบและอาวุธคือของที่ใช้ยิงหรือซัดไปทําร้ายได้ในที่ไกลเช่นธนูพ่อเรียนรู้ทุกวิชารุกและรับจนชํานิชํานาญมากในยามว่างพ่อมักจะหัดคนเดียวในป่าหัดยิงธนูและหัดใช้อาวุธอื่นๆความนึกคิดในยามหนุ่มขนองนั้นรุนแรงมากเห็นการต่อสู้เป็นของสนุกสนานเมื่อเรียนวิชารบสําเร็จนั้น อาจารย์ได้เรียกไปสั่งว่าที่ว่าเรียนสำเร็จคือรู้และเข้าใจในวิชาเท่าที่มีวางไว้เป็นแบบฉบับส่วนความชนิบชานาญตลอดจนความเฉลียวฉลาดดัดแปลงหรือนำวิชาไปใช้ให้ได้เกิดผลดีนั้นเป็นหน้าที่ของผู้เรียนจะต้องไปฝึกฝนอบรมเพิ่มเติมอยู่เสมอท่านอาจารย์ได้สั่งพ่อไวอย่างหนึ่งว่าถ้าจะกลับบ้านเกิดเมืองนอนควรไปแวะเมืองสาวัตถีก่อน นอกประตูเมืองด้านทิศทักษิณมีนักปราชผู้รู้วิชาสตราวุธยิ่งกว่าท่านอาจารย์อยู่ผู้หนึ่งมีบริวารมากท่านผู้นั้นแหละจะให้อุ ป, ปเทศในการใช้อาวุธได้ดียิ่งแต่ท่านอาจารย์ไม่ยอมบอกชื่อนักปราศผู้รู้วิชาอาวุธสูงที่กล่าวนั้นเมื่อพ่อกราบลาอาจารย์แล้วได้กลับสู่แคว้นสุรเสนหรือมุ่งหน้าไปยังแคว้นโกศล เพื่อไปหาอาจารย์วิชารบณนะกรุงสาวัตถีไม่เพราะได้เดินทางขึ้นเหนือจากสำนักอาจารย์เดิมต่อไปอีกเพื่อหาเรียนวิชาอื่นๆที่พ่ออยากรู้พ่อเรียนวิชาตรักคือหลักการชิดวิชานิรุติคือหลักของการภาษาจากสำนักของอาจารย์ใหม่และเรียนวิชาปกครองและจัดการแว่นแคว้นจากสำนักอาจารย์อีกท่านหนึ่งรวมกับท่านจันทรายณนะมหาอมาตแห่งแคว้นมคธ เวลาสิ้นไปแล้วถึงเจ็ดปีต่อจากนั้นเมื่อเดินทางต่อไปอีกทางทิศอุดรพ่อได้ไปพบอาสมแห่งหนึ่งในบริเวณป่าเมีขระจารึกไว้ว่าที่นี่รับสอนเฉพาะผู้ไม่ต้องการเรียนอะไร เรียอาสมนั้นเงียบสงัดไม่มีสิทธิผู พ, พล่านเหมือนสำนักอื่นฉรอยสิทธทิจะเรียนก็ล้วนแต่ต้องการเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งสิน้นซึ่งชื่อว่าขัดข้องต่อการที่จะพักศึกษาอยู่ในที่นี้จึงไม่มีใครอยู่เรียนด้วยได้พ่อตรงเข้าไปยังอาสมนั้นก็ได้เห็นอาจารย์ผู้มีอายุ ป, ประมาณ50ปีมีผิวพรรณผ่องใสและเท่าที่สังเกต ด, ดู เป็นผู้รักความเป็นระเบียบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในบริเวณอาสมนั้นไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเจกะรุงรังหรือควรตำหนิดได้ว่าสิ่งนี้ควรอยู่ตรงนั้นหรือสิ่งนั้นควรไปอยู่ที่อื่นดังนี้เลยพ่อพยายามตีความหมายของคำว่าที่นี่รับสอนเฉพาะผู้ไม่ต้องการเรียนอะไรอย่างเร่งด่วนเพราะเมื่อพ่อเข้าไปหาท่านแล้วจะต้องโต้อตอบกับท่านถ้าขบปัญหานี้ไม่แตก ก็คงไม่มีโอกาสได้อยู่เรียนวิชาแปลกประหลาดที่พ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าวิชาอะไรนั้นเป็นแน่เมื่อได้ทบทวนถึงท้ายคำต่างๆของนักคิดโบราณที่พ่อเคยได้ยินได้ฟังมาในสมัยที่เรียนวิชาตักและวิชานิรุตติแล้วก็ทําทีเหมือนจะคิดได้รางๆแต่ยังไม่จําชัดแต่พ่อได้ตัดสินใจไว้แล้วว่าจะต้องพยายามจนสุดความสามารถ ที่จะโต้อตอบกับท่านอาจารย์ประหาดผู้นั้นให้เป็นผลดีที่สุดพ่อได้ตรงเข้าไปทำความเคารพท่านอาจารย์ผู้นั้นแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านได้เพ่งมองดูอย่างถี่ถ้วนแล้วถามพ่อขึ้นด้วยเสียงอันกังวานมีลักษณะเข้มแข็งว่าดูก่อนมานบเธอดั้นด้นมาจนถึงที่นี้มีความต้องการด้วยสิ่งใดหรือข้าแต่ท่านอาจารย์กระผมไม่ต้องการอะไรเลย พอดิโตตอบท่านไปอย่างนี้รู้สึกได้ว่าทำความประลาดใจให้ท่านบ้างพอสมควรถ้าอย่างนั้นเธอประสงค์จะเรียนสิ่งไรเล่าข้าแต่ท่านอาจารย์กระผมไม่ประสงค์จะเรียนอะไรเลยดูก่อนมานกเราถามถือว่าต้องการอะไรเธอก็ตอบว่าไม่ต้องการครั้นถามว่าประสงค์จะเรียนสิ่งไรเธอก็ตอบว่าไม่ประสงค์จะเรียนอะไรเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงขอเชิญเธอให้ออกไปจากสำนักของเราได้แล้วข้าแต่ท่านอาจารย์เพราะเหตุที่กระผมไม่ต้องการอะไรจึงมาสู่สำนักนี้นะับเป็นการชอบธรรมแล้วที่กระผมจะพักอยู่ในที่นี้ได้และท่านอาจารย์ก็อาสอนกระผมได้ตามกำหนดในขระที่จะรึกไว้นั้นดีแล้วราชกุมารแห่งกรุงมัทุราพระบิดาของเธอกำลังประชวนคณะอัมมาธ กำลังตามหาตัวเธออยู่และเชื่อว่าจะมาพบเธอในบ่ายวันนี้นี้เป็นเรื่องแรกที่เราบอกให้รู้ไว้เพื่อพิจารณาด้วยตนเองเมื่อได้ฟังถ้อยคำอันกล่าวถึงรายละเอียดว่าพ่อคือใครและพระราชบิดา กำลังเป็นอะไรเช่นนั้นพ่อรู้สึกตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกมีอาการตัวเบาและขนพองสยองกล้าวเป็นไปได้อย่างไรที่พอย่างเข้ามาพูดจากันเพียงสองสามคำท่านผู้นั้นก็รู้ความเป็นไปของพ่อหมดสิน้นจะเป็นไปได้หรือที่ว่าพระราชบิดาประชวรและคณะอํามด์กําลังเที่ยวตามหาพอ่อทั้งจะมาพบในบ่ายวันนี้ด้วยถ้าเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นจริงๆพ่อจะทําอย่างไร ม้ขณะที่พ่อกำลังนั่งตะลึงคิดเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอยู่นั้นท่านอาจารย์ก็กล่าวขึ้นมาว่าไม่มีไกลไม่มีใกล้ไม่มีอะไรลึกลับถ้าคนเราสามารถเป็นนายของจิตใจตัวเองได้แม้เธอจะเป็นคนแรกที่สมควรอยู่กับเราในที่นี้แต่เธอก็อยู่ไม่ได้เพราะจะต้องกลับไปกับคณะอํามาดแต่เราจะขอเตือนว่าถ้ามีเรื่องจะต้องรบราค่าฟันกับใครแล้ว ขอให้เลือกถึงคำที่เธอพูดกับเราว่าไม่ต้องการอะไรไว้ให้ดีและข้อที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมคำสั่งของอาจารย์คนแรกที่สอนวิชารบว่าให้ไปหาอาจารย์นอกประตูเมืองสาวัตถีด้านทักษิณก่อนใช้วิชารพเราเองก็เคยเป็นศิษย์ของอาจารย์ผู้นั้นโดยไม่รู้จักหน้ากันเพียงแต่ได้ฟังสืบมาจากผู้อื่นต่ออีกทีหนึ่งเท่านั้นเรา ก็มาหาความสุขได้อย่างดีในป่านี้และตั้งใจจะสั่งสอนเฉพาะคนที่ตอบคำถามเราได้เช่นตัวเธอเท่านั้นโน่นบ่อน้ำด้านซ้ายของอาสมมีน้ำเย็นใสสะอาดมีภาชนะสำหรับตักเธอจงไปอาบน้ำเสียก่อนแล้วจึงกลับมาหาเราอีกพ่อไม่รู้จะพูดอย่างไรดูงุนงงไปหมดจำได้แต่เพียงว่าได้ทาตามคาสั่งของอาจารย์อย่างง่ายดายเมื่ออาบน้าเสร็จแล้วรู้สึกเบาสบาย แล้วก็มาหาท่านอาจารย์ผู้นั้นท่านนำผลมะ้างหมักเมามาหาดและมะพร้ป่าอันสุกน่ากินใส่ภาชนะไม้มาตั้งให้พ่อบริโภคแล้วก็หายเข้าไปในอาสมพ่อมีความกังวลใจอยู่ดนเรื่องพระาชบิดาทั้งในตอนเช้าก็หาผลไม้ป่ามาบริโภคมาบ้างแล้วจึงไม่ได้สนใจในของต้อนรับของท่านอาจารย์ประหาดผู้นั้นเมื่อริมรถผลไม้เหล่านั้นอย่างละผลสองผลแล้ว ก็นั่งซึมอยู่แต่ผู้เดียวน a n านจะเหลือบมองเข้าไปในอาสมแต่ประตูซึ่งเปิดไว้เพียงครึ่งเดียวก็บังเสียไม่อาจเห็นภายในตลอดได้พอตะวันบ่ายท่านอาจารย์ออกมาจากอาสมเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วจึงชี้มือให้พ่อดูพรานป่าห้าคนซึ่งเดินตรงมาพอดีเมื่อคนเหล่านั้นเดินตรงเข้ามาใกล้พ่อก็จําได้ว่าเป็นอํามาศในราชสํานัก ที่ไว้วางพระราชรัไทยของพระราชบิดาสองคนอีกสามคนคือพวกที่พาพ่อมาส่งณนะสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกเมื่อสมัยเจ็ดปีล่วงมาแล้วและได้เคยมาติดต่อให้ความสะดวกต่างๆอย่างลับๆแก่พ่อตลอดมาทุกสำนักอาจารย์พ่อรู้สึกอัศจรรย์ใจในความสามารถของท่านอาจารย์ประหลัดคนนั้นมากยิ่งขึ้นที่สามารถรู้และบอกลวกหน้าได้อย่างถูกต้องทุกประการ จิตใจที่อบรมฝึกหัดดีแล้วมีอำนาจถึงขนาดนั้นทีเดียวเชียวหรือเพื่อที่จะตัดการพูดอ้อมค้อมของพรานป่าปลอมทั้งห้าคนนั้นพ่อได้เล่าให้ฟังว่าเรารู้ตัวอยู่ก่อนแล้วว่าพวกเขาจะมาบ่ายวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการประชวนของพระชบิดาอำมาตย์เหล่านั้นพากันตะลึงและรีบเล่ารายละเอียดแห่งการที่พระชบิดาประสงค์จะให้พ่อรีบกลับไป เพราะไม่ทรงไว ety, mm. ้พระหารุไทในชีวิตเมื่อได้ให้คนเหล่านั้นพั ch, พกเหนื่อยพอสมควรแล้วพ่อจึงเข้าไปกราบลาท่านอาจารย์ด้วยความเสียดายยิ่งที่มีทันได้อยู่ในสำนักของท่านก็จะต้องรีบจากไปท่านอาจารย์ได้กล่าวเตือนพ่อว่าดูก่อนราชกุมารความมากใหญ่ไฟสูง และมัวเมาในการที่จะมีอำนาจนั้นเป็นเหมือนก้อนเหล็กแดงใหญ่ที่ลุกร้อนเป็นเปลวรุ่งโรจน์ซึ่งคนทั้งหลายเห็นเป็นดอกไม้อันน่าอุ้มชูเชยชมแล้วก็พากันแย่งเข้ากอดรัดผลที่รับจึงพากันวุ่นวายเดือดร้อนหาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นเธอจะต้องระมัดระวังในการที่จะหลงเข้าไปแบกหรือกอดรัดก้อนเหล็กแดงนั้นดูกนราชกุมารความสุข ที่ได้มาด้วยการยื้อแย่งแข่งกันนั้นเป็นเพียงสิ่งหลอกหลอนตราบใดที่คนยังวิ่งบุ้นหาความสุขจากข้างนอกตราบนั้นเขาก็จะรับแต่ความสุขที่ปลอมอยู่เสมอความสุขที่แท้จริงนั้นอาจหาได้ในจิตใจของเรานี้เองไม่ต้องไปยื้อแย่งแข่งกับใครไม่มีปริมาณจำกัดดูก่อนราชกุมารคาใดของอาจารย์คนแรกที่ตรงกันกับคาของเราคานั้น ขอให้เธอจำไว้เป็นพิเศษคำที่ตรงกันของอาจารย์ทั้งสองก็คือเรื่องให้พ่อไปพบกับอาจารย์ใหญ่ในวิชาาบทักศินแห่งประตูเมืองสาวัตถีเมื่อพ่อออกจากอาสมของท่านและรอนแรมไปจนถึงแขวนสุรเสนะเข้าเขตมาทุราแล้วก็ตรงไปยังสำนักพระราชบิดาในขณะนั้นพระองค์มีอาการดีขึ้นแต่ก็ไม่มีหวังมากนักที่จะหายเป็นปกติ ทรงสำแดงพระอาการปิติสมนัตเมื่อพ่อเข้าไปเฝ้าทั้งอย่างรับสั่งมอบหมายพระราชสมบัติท่าพระองค์เสด็จสวรรคตข่าวการกลับของพ่อเป็นข่าวใหญ่ที่รู้กันทั่วไปและยิ่งมีข่าวว่าพระราชบิดาจะทรงมอบหมายราชสมบัติให้พ่อปกครองสืบแทนพระองค์ด้วยก็รู้สึกว่าได้ทําให้เกิดความตื่นเต้นจากคนเป็นอันมากราชบุรุษ ได้จัดอำนวยความสะดวกทุกประการอย่างที่ขติยราชกุมารผู้เป็นรัชทายาทจะพึงมีดูก่อนสุรเสนะการที่พ่อจากไปสู่สำนักตักกิลานั้นก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะขาดการติดต่อกับคนทั้งหลายยิ่งเงียบหายไปเฉยเไม่ค่อยมีข่าวปรากฏ คนก็เดาเอาว่าพ่ออาจตายหรือเป็นอย่างไรไปก็ได้หมู่อัมมาศผู้หวังความเป็นใหญ่ก็หันไปเป็นบริวารของน้องชายต่างมันดาของพ่อเป็นส่วนมากพ่อได้ทราบจากราชบุรุษว่าได้มีเตรียมการกันอย่างลับๆที่จะให้น้องชายต่างมารดาของพ่อได้ครองราชสืบต่อจากพระราชบิดาการซ่องสมผู้คนและสัตว์ราวุธนั้นมีมานานแล้วเมื่อพ่อกลับมาและมีหวังได้ของราชชนนี้ จึงไม่เป็นที่พอใจของกลุ่มอํามาตและราชบุรุษที่เป็นฝักฝ่ายของน้องชายต่างบรรดาของพ่อแต่อํามาตที่ซื่อสัตย์ต่อพระเชิดาก็มีเป็นอันมากที่พอใจจะสนับสนุนพ่อให้เป็นกษัตริย์พอได้ทราบการเคลื่อนไหวเพื่อช่วงฉิงราชสมบัติอย่างลับๆอยู่ตลอดมาถ้ากล่าวตามอัธยาศัยเดิมของพ่อแล้วการรบกันเป็นสิ่งที่พ่อชื่นชมเลิศเกินทั้งกลุ่มอํามาตที่สนับสนุนพ่อ ก็ไปตั้งกองชักชวนบริษัทบริวารเตรียมการป้องกันราชสมบัติไปด้วยเหตุการณ์ในกรงมัธุราจึงนับว่าสงบแต่ภายนอกเท่านั้นแต่ผู้ที่รู้เรื่องอยู่ภายในก็พากันหวาดวิตกไปด้วยพระการต่างๆพอต้องต่อสู้กับความรู้สึกสองฝ่ายอย่างหนักตลอดเวลาคือความรู้สึกฝ่ายหนึ่งต้องการต่อสู้ป ร, ราพวกแย่งราชสมบัติใหเห็นฝีมือไปบ้างอีกฝ่ายหนึ่ง คือถ้อยคำของท่านอาจารย์ที่สอนว่าการแย่งก um ันเป็นใหญ่นั้นคือการแย่งกันอุ้มเหล็กแดงและว่าความสุขที่ต้องแย่งกันนั้นเป็นความสุขปลอมความสุขจริงนั้นอยู่ในใจของเราพอได้พบกับท่านพระอาจารย์ประหลาดผู้นั้นเพียงวันเดียวแต่รู้สึกว่าคติที่ท่านให้ไวเมื่อจะจากมาช่างฝังแน่นในจิตใจเสีเหลือเกินเพราะฉะนั้นการตัดสินใจว่า จะรักษาราชบัลล erm ังก์ดีหรือสละดีจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากที่สุดที่พ่อจะตัดสินใจให้เด็ดขาดลงไปได้ว่าอย่างไรจึงจะดีเจ้าก็ย่มรู้อยู่ในหัวใจของนรบแล้วว่าไม่ถือการตายเป็นของสำคัญการต่อสู้ไว้ฝีมือในสมรภูมินั้น เป็นสิ่งที่นักรบไฟฝันด้วยความภาคภูมิใจระหว่างที่พ่ออยู่ตะกศิลานั้นพ่อพยายามฝึกซ้อมอยู่เสมอจนกระทั่งแน่ใจว่าอาจคุมทหารเพียงห0 0รรบกับข้าศึกจำนวนพันได้ด้วยหลักการรบสี่ประการคือฐานะกุษโลเป็นผู้ฉลาดในสถานที่และเหตุแวดล้อมอย่างหนึ่งดูเรปาตีสามารถทำรา้ายข้าศึกได้ในระยะไกล ก่อนที่จะมาถึงตัวเราอย่างหนึ่งอคณนเวดียิงธนูได้รวดเร็วซึ่งรวมทั้งการรู้จักใช้อาวุธทาําร้ายฆ่าศึกอย่างรวดเร็วติดต่อกันจนตั้งตัวไม่ติดอย่างหนึ่งมหาโตกายัะสะปะดาเลตารู้จักทําลายกําลังส่วนใหญ่ของศัตรูอย่างหนึ่งเมื่อใจหนึ่งอยากรบส่วนอีกใจหนึ่งยังรักความสงบอยู่เช่นนี้ความคิดข้อหนึ่งก็เกิดขึ้นว่าถ้าได้สําแดงฝีมือให้คนเหล่านั้นเห็นไว้บ้าง บางทีจะนึกขยาดแล้วเลิกล้มความชิดแช่งดีไปเองแต่ก็สืบได้ความว่าผู้มีอำนาจคุมกาลังทหารซึ่งเป็นฝักฝ่ายอยู่กับน้องชายของพ่อนั้นเป็นคนเชื่อดีในฝีมือของตนอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้จะแสดงฝีมือก็คงไม่ทำให้ล้มเลิกความชิดอันนั้นได้แต่ด้วยอำนาจแห่งคำยุแย่สนับสนุนของผู้จงรักภักดีในที่สุดพ่อก็ลืมคาของอาจารย์ไปพักหนึ่ง ชิดกะการแต่เรื่องต่อสู้กับผู้จะแย่งราชสมบัติตลอดเวลาแล้วในที่สุดความชิดฝ่ายสูงก็เกิดขึ้นอีกขณะเมื่อพ่อปลอมตัวเที่ยวไปคนเดียวเพื่อสำรวจภูมิสถานห่างจากพระราชวังออกไปได้เห็นกากรุ่มหนึ่งกาลังต่อสู้จิกตีกันเพื่อจะแย่งหนูตายเน่าทรงกลิ่นเหม็นตัวหนึ่งพอได้เห็นเช่นนั้นพ่อก็ได้สติและกลับที่อยู่ทันทีตกลงใจว่า จะไม่ให้มีคนต้องเสียชีวิตเพราะราชสมบัตินี้แต่คนที่โลภมากก็จับไม่ให้ได้อะไรเลยเหมือนกันพ่อจึงคิดใหม่แทนที่จะเป็นแผนการรบกลับเป็นอุบายจับคนสาคัญที่มีส่วนคิดแย่งราชสมบัติพ่อได้อาศัยพระราชลำกรั์ของพระชบิดาซึ่งกำลังประชวนหนักสั่งให้คนเหล่านั้นเข้าเฝ้าแต่โดยที่เหตุสั่งไปเป็นระยะระยะไม่ให้เข้าเฝ้าพร้อมกัน จึงจับไว้ได้ทีละคนจนหมดสิ้นในวันรุ่งขึ้นพอดีพระชชปิดาสวรรคตพ่อจึงประชุมพระประยุรญาติกับมูอัมาดทั้งปวงและให้เบิกตัวผู้ที่จับไว้ได้มีน้องชายต่างบรรดาและอัมบาดผู้ใหญ่หลายคนมาพร้อมกันแล้วจึงประกาศว่าดูก่อนผู้เจริญทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะปรองดองกันให้ดีไม่ทะยาทยานและคิดทำลายล้างกันและกัน ท่านทั้งหลายจะอยู่เป็นผาสุขไม่มีใครต้องถูกจองจำและต้องอัจฉริยาถึงกับการแจ่ประหารชีวิตเช่นที่เห็นกันอยู่นี้เรื่องราชสมบัตินั้นเราได้ตัดสินใจแล้วว่าจะสละให้แก่ผู้ที่ไม่โลภมากคือน้องชายต่างบรรดาอีกคนหนึ่งมีนามว่าสั จ, จพลส่วนผู้โลภมากที่จับไว้ได้นี้แม้ควรจะ ก, การประหารเราก็จะปล่อยให้เป็นอิสระแต่แม่้เกี่ยวข้องกับราชกิตทั้งปวงอีก เราขอเตือนท่านทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในธรรมให้เห็นใจประโยชน์ของคนส่วนรวมทั่วหน้าผู้มีใจคับแคบเห็นใจตัวนั้นแม้จะเจริญก็ไม่ยืดในที่สุดก็จะค่าฟันกันเองในพวกของตนหรือมองในภายนอกอาจเห็นเจริญแต่ภายในจิตใจมีแต่ความเสื่อมความเน่าในท่านทั้งหลายมัทธุราอยู่ในความรับผิดชอบของสัจพพลและท่านทั้งหลายแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ไปครั้นแล้วพ่อได้เรียกสัจพลมาให้ปฏิญาณต่อหน้าพ่อและคนทั้งหลายว่าจะตั้งอยู่ในราชธรรมมุ่งบำรงประชาชนให้เป็นสุขสัจพล น, นั้นเมื่อได้รับราชสมบัติอย่างไม่รู้ตัวก็ตื่นเต้นก้มลงกราบพ่อแล้วประกาศปฏิญาณของตนด้วยอาการที่สแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในวันที่สามเมื่อถวายพระเพลิงพระศพพระชดบิดาแล้วพ่อก็หายไปจากกรุมมัธุลาโดยไม่มีใครทราบความเคยชินกับป่าเขาลำเนาไม้ทำให้พ่อรู้สึกเพเลิดเพลินในการเดินป่าและเป็นอิสระใจตัวอย่างเต็มที่รู้สึกเบาสบายกายกจิตที่พ้นมาเสียได้จากการแย่งหนูเน่าส่งกลิ่นเหม็นแบบกาซึ่งพ่อประสบมาแล้ว